ทรงอนุญาตให้ตามประทีปส5มสสมัยนั้นภิกษุทั้งหลายมีความยำเกรงการตามประทีปบ้างการก่อไฟบ้างการติดไฟในเรือนไฟบ้างจึงนำเรื่องนี้ไปกราบทูลพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบพระผู้มีพระภาครับสั่งกับภิกษุทั้งหลายว่าภิกษุทั้งหลายเราอนุญาตให้ก่อไฟหรือใช้ให้ก่อไฟเพราะมีเหตุผลที่สมควรแล้วจึงรับสั่งให้ภิกษุทั้งหลาย